23, 2สามย5สามยสี่ยี่ห้าจะได้สามวันมันพวกนี้ก็กลุ่มพี่ฟันกลางเก็บสองวันคือย4 2สี่ยห้ากลุ่มใหม่สุดก็เก็บวันเดียวคือวันนี้ห้าแบ่งกันตามอีซีเพราะนั่นกลุ่มแรกนี่ตั้งแต่วันนี้ไปมีหนึ่งคุณสุนันทาละสองยมชัยเคยปฏิบัติมานานแล้วเนาะเคยเก็บอารมณ์มั้งไหมไม่เคยเลยนะ แค่ยังไม่เคยยังไม่ให้เข้ามอน่ย่ยเคยเก็บอารมณ์แล้วนะสองมอน่ย่ยสามยมที่มาจากวัดสนามในเคยเก็บอารมณ์ไหมอยู่วัดสนามในมานานด้วยกันเนาะแต่ยังไมเคยเก็บอารมณ์เคยไหมเคยเอายมที่มาจากวัดสนามในคนหนึ่งที่สามคนที่สี่ยมเคยปฏิบัติมาหลายครั้งเนาะ โยมชื่ออะไรนะโยมชื่อมีชัยนะชื่อนะชื่ออะไรนะวิชยัชยโยมวิชัยคนหนึ่งยมวิชยัยสี่มีใครคอีกเคยปฏิบัติมานานแล้วเนาะหลายครั้งเียอฮะหกครั้งเขาเก็บบรดมห้าพระะัญหาไหมพระยรัญ นอกจากมีใครอีกที่คิดว่าตัวเองน่าจะเก็บอารมณ์เข้มได้สักสามวันอยมที่นั่งข้างหลังเจ็ดเจ็ดคนนะไม่มีใครอีกที่เพราะฉั้นชุดนี้เจ็ดคนก็แล้วกันชุดที่เคยปฏิบัติมานานผู้ชายสามแคนนะผู้หญิงห้าผู้ชายสามวันนี้จะให้ท่านอเอกวุฒ เป็นผู้หาเก็บพอท่านเพิ่งเก็บอารมณ์ยกๆสามเดือนเหมือนกันท่านจะมีเทคนิคเวลาเชาวสั้นไม่อยากจะให้ใช้บทเดียวยาวสลับกันไปแต่เวลายาวๆเป็นสามเดือนเรจะเดินสักเดือนหนึ่งนั่งสักเดือนหนึ่งก็ได้แต่นี่เวลาสั้นแค่สองสาวันก็คงจะสลับกันเป็นหลายชั่วโมงมากกว่าเป็นรายวันก็ทั้งเจ็ดท่านเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เอกวุฒิพาไปสาธิตการเก็บอารมณ์ข้างล่างนะ ไปเลยยมเจริญยมชายยมสมคิดยมหมอหนุ่ยหมอเป็ดยังไม่เข้าเนาะคเข้าเนาะยมสุนันทาแล้วก็ยมวัสนธรนมใชื่ออะไรนะฮะยมปารณีบารณีสิ่ผู้คนเก่าแก่วัสนธรนมในต้องฝึกเจ็บอรมบ่อยๆน่ตั้งแต่เช้านู่นนะยันเย็นสามทุมหมแหละเดินจงกรมสร้างจังหวัดตลอด โยมยังไม่หายง่วงเลยไม่ว่ายัางง่วงขอพับข้อเยี่ยงไปเก็บอารมณ์ก็นอนหลับเลยแล้ววันนี้ยังไม่ให้เก็บคนที่ยังไม่หายง่วงยังไม่ให้เก็บคนที่อย่างน้อยที่เก็บอารมณ์อย่างน้อยรู้จักรูปจักนามพอสมควรถึงจะแก้ไขปัญหาได้ในช่วงนั้นไม่มีครูบาอาจารย์เข้าไปยุ่งด้วยเลยโยมอยู่คนเดียวเนะี่ยโยมเยอะถ้าแก่อารมณ์ตัวเองไม่ได้นะมันก็จะเสียเวลาไปเลยถ้าแก่อารมณ์ได้ตลอดเนี่ยมีความรู้จักรูปจักนามพอสมควร แล้วมันจะไม่เสียเวลาในการเก็บมันจะ ก, ก้าวไปเยอะทีเดียวและเจ็ดท่านนะลงไปข้างล่างเดี๋ยวอาจารย์เอกวุฒิท่านจะสาธิตในการเก็บในการเปลี่ยนเยอะบทต่างๆเอาละที่นี้ก็เหลือพวกเราสําหรับคนที่จะเก็บพวกนี้คือชุดที่การเก่ากลางใหม่วันนี้ต้องเข้มกับตัวเองหน่อยนะเพื่อไปเก็บปฏิบัติคือฝึกเอาไว้เพราะบางทีเราอาจจะไปเก็บที่บ้านวันเดียรีทัวเดียร์ดูีทรีเ ด, เดร์ดูลาดตัวเองที่บ้านได้แต่ว่าเราฝึกหัดไว้ก่อน เพวิ ธ, ธีการอันนี้ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติแล้วปฏิบัติเลยเข้าที่ชุดนี้แล้วไปรอยชุดหน้าไม่ใช่วิธีชุดนี้เป็นการฝึกการเก็บความรู้สึกวดวัดสนามจริงอย่างที่บอกเมื่อวานแล้วก็ววคือการทําในการงานงานการทํารีบ้านอันนี้คือเอกลักษณ์ของโคเทียนมันจะต้องชำนิชํานาญขึ้นเรื่อยๆ มาเข้าดิวที่เมื่อไรก็ ต, ตั้งต้นใหม่เรื่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่นะมาเข้าเก็บเข้าดิวที่เมื่อไรคือมาการต่อบทเรียนนะโอเดรนี่เรียนถึงหนึ่งถึงสิบนะมาครั้งต่อไปก็สิบถึงยี่สิบครั้งต่อไปก็ยี่สิบถึงสามสิบไม่ใช่มาเข้าบริวที่เม่อไรก็หนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงสิบมันมันไม่ได้มันถือว่าไม่ก้าวหน้าอามาก็ไม่รับต้องสอบประหลงก่อน ครูก็ไม่ต้องการนักเรียนตกซ้ําซ้ำซากเหองกันน้อกันเลยต้องการนักเรียนที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆขั้นนี้ขั้นที่หนึ่งคุณรู้จักรูปนามนะขั้นที่สองคุณจักนามรูกขั้นที่สามคุณจักไตรลักษณ์คุณที่สี่คุณรู้จักขันห้าท่านที่ห้าคุณรู้จักสมมติขั้นที่หคุณรู้จักปณามัติขั้นที่7ดคุณรู้จักการเกิดดับไปนตามลําดับถ้าเกิดว่าซ้ําซากอยู่ที่เก่านะมาบอกา ไปทางอื่นก่อนก็เลยเวลาเรามีน้อยคือเรื่องของชีวิตเราจะทําอะไรเล่นๆไม่ได้นะเพราะมันผ่านไปละว่าแต่ละวันแต่ละที่มันเอาคืนไม่ได้เลยหมายถึงว่าเวลามันเสียแล้วเสียเลยเงินทองเสียแล้วมันยอาคืนไม่ได้แต่เวลาชีวิตเนี่ยมันหายแล้วหายเลยแล้วจนการมาทางสายนี้อาจจมาถือว่าแต่ละคนมาถึงวิวธีนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาจะต้องมีพื้น คูมหลังมาดีพอสมควรพ อ, อามาถือว่าวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีสุดท้ายถ้ายังเอาวิธีนี้ไม่ได้นะวิธีอื่นมาว่าไม่ต้องไปอ่ะมันไม่มีทางวิธีนี้ถือว่าวิธีที่ที่ง่ายที่ละเอียดที่ทำได้สัมผัสได้เราก็ยังทำไม่ได้แล้ววิธีอื่นซึ่งดูแล้วสลับซับซ้อนละเอียดเกินกาลังของเราบางทีล้วจะเอาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่มานาชี้แจงถือเล จะพยายามทำให้ชัดเจนที่สุดละเอียดที่สุดแล้วก็สัมผัสได้นี่สำหรับคนมีศรัทธานะแต่คนไม่มีศรัทธาก็ยังเอาอะไรไม่ได้เหมือนเหมือนเดิมนั่นแหละน้นต้องทวงถามถึงคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติห้าข้อยเส ม, มอว่าคุณมีศรัทธาไหมมาวิถีเนี่ยจริงจังจริงใจไหมแล้วเวลาถึงเวลาเพียรนะคุณเพียรถูกต้องไหมอันนี้มาับผิดชอบเอง เพียรในสามอย่างคือเพียรในสติสมาธิปัญญาเกิดไหมถ้าเพียรแล้วสามดัวนี้เกิดไหมพอเวลาพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าศีลสมาธิปัญญาพาพ้นทุกข์นะพุทธิยถาบอกอะไรวิริเยนะทุกขมะเจติคนจะร่วงรุง่งหรือพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรแต่ศีลทําให้เป็นผู้มีจัดระเบียบกายได้สมาธิทําให้เราจัดระเบียบจิตได้ ปัญญาทำให้เราจัดระเบียบอารมณ์ชําระอารมณ์ได้เท่านั้นเองแต่ตัวที่จะชําระหมดจดได้เนี่ยมันต้องที่ความเพียรเราท่านบอกตัวปัญญานี่จะทําให้จิตบริสุทธิ์ได้ปัญญายะบริสุทธิ์สติ น, นี่พุทธิยถาท่านตรัสเอาไว้นะจิตจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะแต่จะพ้นทุกข์โดยตรงความเพียรช่วงเช้าขอทุกทุนนิดหนึ่งว่าการบริหารธรรมชาติธาตุสีเนี่ยจำเป็น ทำมาเองถ้าบริหารธรรมชาติท่าสีของตัวเองไม่ได้ขนาดนี้มาคงไม่ทํางานได้ขนาดนี้แร้วทางานไปทั่วโลกต้องปรับอากาศปรับอาหารปรับท่าสี่ตลอดเวลาถ้าสมมติว่าไม่ไม่ดูแลท่าสีของเรานะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่อนข้างจะเป็นสูตรลงตัวเลยพอาะมาทาั้งๆที่มีโรคหลายอย่างนะแต่มันเพ่็หายไปหายไปมาเคยเป็นโรคกระเพาะโรคหัวใจโรคภูมิแพ้โรคปลายประสาทเสื่อมโรคไมเกรน หลายอย่างแต่พอมาลงสูตรนี้มันอยหายไปหายไปหายไปแต่โรคที่รักษายากที่สุดคือโรคภูมิแพ้เพราะอันนี้เป็นโรควิบากที่ได้รับมาจากยมแม่แต่ก็พอคุมได้เท่านั้นจะหายเด็ดขาดไม่ได้ช่วงใดที่ไม่ได้ออกกาลังกายไม่ได้ดื่มยาพุทธเจ้าแล้วฉันอาหารไม่เป็นเรื่องเป็นราวช่วงนั้นมีปัญหาละภูมิแพ้กลับมา แต่ช่วงใดได้ดื่มยาพุทธเจ้าได้ออกกำลังกายด้วยโยคะได้ทำรมปานได้ทานอาหารที่เป็นไบโอติกหรือมังสวิรัตก็ภูมิแพ้จะไม่มารบกวนแล้วก็คุมเรื่องเงินไขเหล่านี้นะนั้นจึงเช่ามาถ้ามาอยู่ที่วัดน่ะมันไม่มีเวลาอย่างนี้งานเยอะที่วัด แล้วก็ยูวัดบนภูเขาอย่างนี้นะเดี๋ยวน้ำไม่ไหลเดี๋ยวไฟไม่ติดเดี๋ยวกุฏินั้นต้องซ่อมเดี๋ยวปลวกขึ้นกุฏินี้เดี๋ยวจะซ่อมตรงนั้นมันก็จะวุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่พอมารีเทรียตอย่างเนี้ยได้ทำเต็มรูปแบบช่วงเช้าที่สถึงที่ห้าทำโยคะแล้วก็ดืมพพด่มน้ำพระพุทธเจ้าดื่มน้าประสะวะน้ำประสาวะอาจจะเอามาสัก แก้วนึงแล้วก็ผสมน้ําเปล่าสักขวดหนึ่งถ้าทานมันเข้มๆ เ, เนี่ยมันเข้มเกินไปเพราะตัวนี้เป็นวัคซีนป้องกันโรคน้ําประสวะรักษาทุกโรคเคยอ่านหนังสือเรื่องนี้บา้างหรือยังลองไปอ่านดูแล้วงนี้นจะไม่เกิดศรัทธาไม่กล้ากินของโสมปกไม่ของเสียในร่างกายเอามากินได้ยังไงถ้าสิ่งนี้พุทธเจ้าไม่เห็นความสําคัญไม่เห็นความวิเศษของพุทธเจ้าไม่ได้จัดไว้หรอกอนิสัยที่พิสูจน์ต้องทำประจำหนึ่งฉันอาหารวินาศา เราบินทะบาฉันสองนุ่งห่มผ้าบางสกุลสามอยู่ป่าอยู่คนไม้อยู่ที่โลงที่ว่างเป็นนิตสี่ดื่มน้าประสวฉันยาดอก้วยนามูลนองถ้ามันไม่มีอะไรอยู่ในตัวท่านจะไม่ตัดเอาไว้เลยคําสอนของพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นสิ่งที่ตัดเอาไว้เราต้องหาเหตุหาผลหาเนยยะให้เจียวว่าเพ่อเหตุอะไรทั้งจึงตัดไว้ยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงทําโยคะเสร็จแล้วก็ดื่มน้ํา าเราได้สองธาตุแล้วใช่ไหมช่วงออกกําลังกายเป็นบริหารธาตุไฟดื่มน้ําบริหารธาตุน้ําพอหลังจากนี้แล้วก็บริหารธาตุดินคือรับอาหารแล้วในช่วงที่เรา ป, รปฏิบัตินี่คือบริหารธาตุตรมอารมณ์สุญญาตาธาตุความว่างสเปซ a ละวิญญาณธาตุนในช่วงบริหารจิตนี่คือบริหารวิญญาณธาตุก็ในช่วงที่เราภาวนา ถ้าบริหารธรรมชาติธาตุสี่ธาตุกให้สมบูรณ์้ก็บริหารรูปกับน้ำให้ถูกต้องนั่นเองเราจะบอกโอ้รูปน้ำเป็นอันนี้จังทุกขังนาา่าจายอย่าไปยุ่งกับมันเลยเป็นเรื่องของมันไปทำอะไรไม่ได้หรอกไปทำก็เป็นการยึดมัน่นถือมั่นในรูปในตัวในตในตอันนี้ถือว่าคิดอีกแบบหนึ่งแบบสมรรค แต่แบบวิปัสนาผู้ทธิเจ้าตรัสว่ า, างไงหันทธ า, านิพกเวอามันตยาโวขยะวยธรรมาสังขาราอ ป, ปมาเทนะสัมปาเทถะเป็นพี่ในกรรมชิ้นสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะปฏิิพาลเลยนะบตรนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารคือกายกับใจนี้มีความเสื่อมความสิ้นตลอดยาขยะสังฆา พยาธิมาสังขารสังขารมีความซึมความเสื่อมอยู่ตลอดเวลาท่านทั้งหลายเตรียมพร้อมที่จะจัดการดูแลมันอย่างสม่ำเสมออั ป, ปมาเทนะสัมปาเททะให้ทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดแต่อามามาปเป่าเตรียมพร้อมที่จะดูแลร่างกายนี้ให้ให้ดีเพราะ ม, มันเสื่อมตลอดเวลาถ้าเราไม่เตรียมไม่จัดการไม่ดูแลมันน่ะถือว่าเราไม่ได้ทาคําสั่งของพระองค์อั ป, ปมาเทนะสัมปาเททะถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท คือไม่ประมาทในสิ่งที่มันเสื่อมไปเลยเราต้องคอยระมัดระวังว่าเงื่อนไขตรงไหนมันเปลี่ยนไปมันแปลงไปแต่คนที่ทําสมถาวิถีพราหมณ์อยู่เขาก็ไม่เชื่อแบบนั้นโอร่างกายสังขารนี่ผมคนเล็บฝันหนังเป็นของเสื่อมของสิ้นไปธรรมดาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันเสื่อมมันชิ้นไปตามกฎของมัน่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นสมถะเป็นคําสอนแบบพราหมณ์แต่คําสอนแบบภพท่านบอกไม่ประมาทต่อสิ่งที่กําลังเสื่อมไปสิ้นไปตลอดเวลา ร่างกายของเราเปนเสื่อมตลอดเวลาสิ้นไปตลอดเวลาเราประมาทไม่ได้มาบริหารใช้มาเนี่ประมาณสิบกว่าปีในโรคภัยไข้เจ็บสิ่งที่มีอยู่ก็าหายไปสิ่งที่จะเกิดใหม่ก็ดูแลได้รักษาได้แต่ที่สําคัญก็คือเราจะต้องไปหาความชํานิชํานาญในการดูแลธรรมชาติธาสีนี้ที่เป็นธรรมชาติถ้าไม่จําเป็นอย่าเอาอยาเคมีเข้าไปไม่จําเป็นก็อย่าไปหมอเข้ามานัดเราทํ า, าอย่างนู้นอย่างนี้ มามีหมอดูแลอยู่แต่ว่าเป็นที่ปรึกษาเท่านั้นเออมันเกิดอาการอย่างนี้เนี่ยหมอจะทำยังไงหมอบอกว่าต้องฉีดยาต้องกินยามาบอกไม่เอาถ้าหากว่าจะทําแบบแพทย์ทางเลือกอ่ะก็จะให้ให้หมอบอกสาเหตุมันเป็นอะไรแค่นั้นเองบางทีมันก็เหลือวิสัยของเราที่จะรู้เองได้ว่ามันติดเชื้ออะไรเนี่ยตอนนั้นคือการบริหารธาตุสีเป็นสิ่งจําเป็น ที่เราจะอยู่คืออยู่ยังมีคุณภาพอ่ะอยู่ไรายไปป่วยไปแล้วร่างกายหมดสภาพทำอะไรไม่ได้ช่วยเหลือใครไม่ได้เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคมมันไม่ได้นะเราจะมาเจ็บป่วยมาก็ไม่บอกให้ใครรู้เดีเป็นภาระของญายมญายมยิ่งรู้ว่าพระระดับเราเจ็บป่วยอย่างเงี้ยเขาก็กังวล แต่ว่ามันเป็นโอกาสของเราที่จะไม่บอกใครเพราะเราจะโอกาสที่ศึกษาตัวเองว่าความเจ็บป่วยเวทนาการเจ็บป่วยตัวนี้มันเป็นอย่างไรมีเอฟเฟกตต่อร่างกายอย่างไรมีเอฟเฟกตต่อจิตอย่างไรเนี่ยเราจะได้มีโอกาสศึกษาถ้าก็ไปบอกให้คนอื่นรู้เนี่ยเขากังวลกับเราก็จะเป็นหนักเป็นหนาดังนั้นเองเอามามีความคิดอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าแต่ว่า ทำย่อมรักษาผู้ประพฤติทธรรมเป็นนิธมโมสุจิโนสุขมาวหาติธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ตน อ, อทำมันเจเลยสุจริตังปฏิบัติธรรมให้สะอาดบริสุทธิ์ทำย่อมรักษาธโมสุจิโนสุขมาวหาติว่าทำย่อมรักษาผู้ประพฤติทธรรมเป็นนิธเอแล้วก็ปฏิบัติธรรมมาตั้งนานทําไมรักษา กายกายเจ็บป่วยก็รักษาไม่ได้อะจิตเจ็บป่วยก็รักษาไม่ได้จิตยังมีราคะโทสะอยู่มันก็เจ็บป่วยอยู่ก็เราปฏิบัติธรรมทำยังไม่รักษาหนิเราก็ยังเจ็บอ่อนๆได้เป็นโน่นเป็นนี่เราปฏิบัติธรรมมาทั้งนานทาบุญรักษาศีลมาตั้งนา น, า น, ม, า น, านมันก็ยังไม่รักษาเนี่ยเราทํายังรักษารพรุทธธรรมนี่มันใช่หรือเปล่านี่ทำให้เราสงสัยใช่ไหมแต่ ทำมันเจเลยสุจริตังปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องให้ตรงให้บริสุทธิ์แต่ส่วนใหญ่เราขาดตัวนี้ไงทํายึงรักษาเราไม่ได้และทําที่รักษารักษาทั้งลูกทั้งนามนะไม่ใช่จะรักษาใจให้ดีอย่างเดียวนามรักษาลูก ร, รักษาไม่ได้ไม่ใช่ลูกต้องรักษาได้ด้วยแต่เราต้องประพฤติทําให้ถูกเราประพฤติทําไม่ถูกทํานั้นก็รักษาเราไม่ได้ออย่างร่างกายเนี่ยมัน Fünf, <ๆ>ก็มีกฎของมันนะว่าธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟถธาตุไหนกําเริบธาตุน้ํากำเบิกมันเป็นอย่างไรธาตุดินกำเริบ เ, เป็นยอย่างไรธาตุลมกาเริบเป็นไงธาตุไฟกําเริบเป็นอย่างไรเราต้องเข้าไปดูธาตุสี่ของเราถ้ามันกำเริบจะก่อให้เกิดโลกตัวนี้ถ้านาดน้ํากําเริบให้เลือดไม่ดีน้ําเหลืองไม่ดีเป็นอย่างนี้ธ า, าตุไฟกำเริบทําให้ความดันสูงความดันตา่า โรคหัวใจโรคเบาหวานท่าดินกำเริบทำใหเป็นโรคปวามแห้งแรงน้อยอาหารไม่ดีทําให้อันตรแล้วทีนล้วก็ไปดูเหตุที่ท้าสี่เขาปรับไปปรับมาอ๋ออย่างนี้เองทำย่อมรักษาพวกพืชทำต้องต้องดูแลศึกษามันให้ถูกเหตุอ่ะไม่อยากแบบพืชไปเถิดเดี๋ยวมันดีเองไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องต้องประพฤติให้เหมาะสมแต่ละตัวแต่ละอย่างไปแล้วทำถึงจะรักษาเราเอามา สงสัยอะเมื่อก่อนเออหลวงปู่หลวงตาท่านปฏิบัติมา ท, ทั้งนานนะทำไมท่านไปโลกนั้นโลกนี้ระดับหนึ่งเราก็ยอมรับว่าเออเป็นวิบากเก่าของท่านท่านดูแลร่ลางกายไมด่ดีมาแต่อดีตปัจจุบันถึงท่านจะหมดทุกข์แล้วก็ตามแต่ว่าร่างกายท่านต้องสั่วิบากมากมายเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างทําไม่ถูกต้องมาแต่ต้นมันก็มารวมเป็นวิบากปัจจุบัน แต่ถ้าหากว่ามีการแก้ไขปรับปรุงดีมาตั้งแต่ต้นเราก็ต้องไม่ต้องรับผลณนะปัจจุบันเราก็มีร่างกายที่ดีแม้อายุมากแล้ว 80-90 ยังทำงานอะไรได้เหมือนเดิมวันนั้นงานที่แล้วมีแฟนของอาจารย์ดรภีสาคริกเข้าร่วมด้วย ศาสตราจารย์ระพีสักเล็กซึ่งเป็นที่ปรึกษาของอสระบนนสมศิลและเป็นอธิการอามาก็ถามว่าไม่ทนอาจารย์ระพีมาด้วยอมันบอกถ้าไปไประชุมที่เชียงใหม่ก็ได้ขา่าท่านอายุตังเยอะแล้วอย่างอายุเก้าสิบกว่าแล้วยังไปไประชุมได้อยู่นั่งรถนั่งหรือนั่งเครื่องปกตินี่คือคือการประพฤติทธรรมแล้วมันจะทําให้ขยายธาตุและขันให้มีคุณภาพต่อสังคม เดี๋ยวนี้อายุห้าสิบหกสิบเป็นภาระของครอบครัวและลูกหลานแล้วฉะนั้นเดี๋ยวเจ็บนั่นเปวดนี่เดี๋ยวพาลงพยาบาลเดี๋ยวไปหาหมอเดี๋ยวกินยามาปฏิบัติธรรมกับพวกยาก็ไปทุงถุงเลยพวกนั้นเลยอย่างเนี้ยถือว่าเราปฏิบัติธรรมไม่ถูกพอดีแฟนของท่านคุณยมตากาาัญญาแฟนของหลวี่มางานเดียวเกตเลยอ่ะเพราะเขาเป็นคนพร้อมอยู่แล้วโ อ, โอ้ฉันไปอยู่ที่ไหนพ่อแกอายุแปดสิบแปดแล้วนะ ไปอยู่ที่ไหนเพิ่งมาพบวิธีนี้ว่างั้นแคท่านปฏิบัติมาตั้งนานน่ะแต่ไปทําวิธีอื่นฟุตเทิลเอ๋ยหนอเอ๋ยแต่ฉันไปอยู่ที่ไหนทำไมไม่บอกว่างั้น <c oughs> อุทานขึ้นมาร่างใจก็เลยไปสิแปดแล้วแล้วพวกเราถึงสามสิบสี่สิบห้าสิบมันต้องมีโอกาสนะใช่ไหมอ น, นุคนไปสิแปดแล้วก็ยังเก็ได้เลยอะ่ะดังนั้นเองอย่าไปพลาดโอกาสอันนี้มันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอก คำสอนพุทธเจ้าที่ถูกต้องมันจะง่ายให้บอกว่างายของที่คว่ำเหมือนไงของที่ควา่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางชูแสงสว่างในที่มืดเนี่ยคําสอนพุทธเจ้าจะมีแสดงรักษาอาการเสียอย่างเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วเหมือนไงของที่คว่ำเมืม่อก่อนมันคว่ำหน้าอยู่เรื่องรูปเรื่องนามเนี่ย เราก็เห็นเราเป็นเราเห็นเราเป็นนายนัานางนี่มันควบมาตลอดแต่พอมาณวันนี้พอศึกษาไปศึกษามาหาความเป็นเราอยู่ไม่ได้เลยมันม่ดินน้ำตรงไฟมาผสมกันแล้วเกิดเป็นท่าย่สี่ขันห้าเกิดเป็นอาการสามสิบสองตัวเราอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อ มันมีรูปกับนามคือความรู้สึกกายรู้สึกใจความรู้สึกกายเรียกว่ารูปความรู้สึกกายเรียกว่านามก็มีคอนสองความรู้สึกนี้ใช่วันวันดูเพียวเพียวนั่นไม่เยแล้วงความรู้สึกนี้ใช่ไหมนี่คือเรื่ารู้สึกรูปรู้สึกนามนี่คือตัวแท้แท้ของเราเลยล่ะคือตัวรู้สึก รูส no ้ส the right. well, right. ึกรูปเรียกว่านามารูปรู้สึกนามเรื่องอรูปนามรู้สึกที่กายเรียกว่ารูปนามรู้สึกที่ใจเรียกว่านามมารูปแต่ว่ารู้สึกล้วนๆไม่เกี่ยวข้องด้วยกายด้วยใจเรียกความคิดเลยเรียกว่านามล้วนๆเช่นสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นนามล้วนๆไม่เกี่ยวข้องรู้สึกเฉยๆเน่ยรู้สึกบางครั้งเราไม่ได้นึกถึงกายของเราว่าเรามีกายอยู่เลยนะมันมีแต่ความรู้สึกเบาๆสบายๆ แต่เราต้องเริ่มต้นให้รู้จักว่าเออความรู้สึกที่อาศัยรูปเกิดเนี่ยเราเรียกว่าเวทนานะรูปของเวทนาเรารู้ว่าเรามีรูปอยู่เพราะมันมีเวทนาเป็นตัวบอกใช่ั้ยคนตายไม่มีเวทนาเขาก็ไม่รู้ว่าเขามีรูปก็ไม่เรียกว่ารูปอ่ะคนตายเราเรียกว่าอะไรเรียกว่าศุขเรียกว่าอสุภะคำว่าศุขมาจากคาว่าอสุภะนะศุข มันไม่สวยไม่งามแล้วเป็นของไม่สวยแล้วของเสื่อมแล้วายของที่คว่นเรื่องของรูปของนามที่เราเข้าใจว่ามันเป็นเรามาตลอดพบชาติกับกันเนี่ยณวันนี้เราเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรามันคือรูปอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการรวมกันจากดินน้ำลงไฟและดินน้ำลงไฟอันนี้มันเกิดเป็นกรรมขึ้นมามีกรรมกรรมนี้ก็มาผสมผสานกันดินน้าลงไฟนี่เรายช้เชื่อมาจาก พ่อจากแม่เราเราก็ความวิจิตของกรรมเนี่ยมันก็มาปรุงแต่งตัวธาตุสีของเราให้เป็นมีจิตวิญญาณจิตวิญญาณของพ่อของแม่ที่ติดมาเนี่ยมันก็มาปรุงแต่งเป็นกรรมทําให้เราต้องดูแลรักษาธาตุขันธาตุสีอันนี้มาโดยตลอดเราก็ไม่รู้พ่อแม่เราก็ไม่ได้บอกเราในเรื่องนี้ปู่ย่าตายายครูอาจารย์ลงเรียนก็ไม่ได้บอกของเราว่าชีวิตว่า คือมันรูปกับนามบอกว่าชีวิตนี้เป็นเราก็เขาเขาก็เรามาตลอดใช่ไหมแล้วก็สมมุติเขากับเราเป็นคนนั่นคนนี้อเป็นยิ่งเป็นชายเป็นตำรวจทหารพยาบาลกำนันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอเป็นมาเรื่อยๆเปลือกมันหนาเข้าหนาเข้านะเข้าแล้วก็ไปติดเปลือกเราเนี่ยสมมติอันหนึ่งก็เปลือกเช่นหนึ่งสมมุติอันหนึ่งก็เปลือกเช่นนึงสมมติอันหนึ่งก็เปลือกเช่นหนึ่งเราก็จึงเลือกคนเรียกคนที่ยังไม่เข้าใจ นี้ว่าปุถุชนะแต่ว่าอะไรผู้หนาด้ยสมมติเหมือนกล้วยอ่ะเหมือนต้นกล้วยอนะเราจะกินบางทีคนเรต้องแกะกาบออกไม่รู้กี่กาบแต่ว่าสมมุติคือกาบของจิดที่มันครอบจิตทุ้งคนเนี่ยมันมากกว่านั้นอีกอ้าวฉันเป็นครูก็เปลือกหนึ่งแล้วอ่าฉันเป็นนักข่าวก็เปลือกหนึ่งฉันเป็นพระก็เปลือกนึงฉันเป็น มาหาก็เปลือกหนึ่งฉันเป็นพระครูก็อีกเปลือกหนึ่งฉันเป็นเจ้าคุณก็อีกเปลือกฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมก็อีกเปลือกหนึ่งซ้อนๆๆเข้าไปเราเราจะต้องมาเผาเปลือกนี้ออกอย่างไรมีทางเดียวคือต้องมาฝึกวิปัสสนาญาณให้ได้วิปัสสนาญาณเ ท, ท่านั้นที่พระพุทธเจ้าท่านเปลือกเสมือนพระขันน่ะที่ท่านตัด มของท่านพมา่าโมลีเพราะน้นประวัติของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ประวัติของเจ้าชายสิทธถะประวัติของเจ้าชายสิทธัตะสองพันกว่า 2, ปีเราไม่รู้เลยแต่รู้แต่ประวัติของพระพุทธเจ้าปอดพระพุทธเจ้าคือเป็นปิศนาให้เกิดตัวรู้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าออกบวชใช้พระขันตัดพระโมลีอ่าแล้วก็ตัดแล้วเหลือสององค์โคลีจากนั้นไม่งอกขึ้นอีกเลยแล้วหลักความเปจริงเป็นไปได้ไหม มันไม่ได้ตัแล้วมันก็ต้องงอกตามหลักของสังขารใช่ไหมมีฝืนสังขารได้ยังไงแล้วทําไมทั้งบอกเหลือสององคุลีไม่เคยงอกเลยเราก็ยกว่าเป็นบารมีของพุทธิยาวไปนู่นเลยเราก็ยกวความวิเศษความจริงก็คือมันก็ต้องงอกแต่ทําไมเหลือสององคุลีหมายความว่าท่านตัดสมมุติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสมมุติทั้งหลายทั้งปวงมันเหมือนเส้นผมมันเยอะมากขนาดนั้น่ะการที่จะตัดเส้นผมคือสมมุติที่ออกต้องใช้ดาบ แห่งปัญญ า, าดาแห่งปัญญาตัดสมมตุติคือสิ่งที่เรานํามาคิดมาปรุงทั้งหลายว่าเป็นเราเนี่ยมันหลายชั้นเหมือนกับเส้นผ ม, มนอะไรแล้วเหลือสององค์คุณิ ม, มัยเพาเหลือสองอย่างคือเหลืออะไรเกิดอะไอย่างเหลือรูปกับนามแค่นั้นเหลือสององค์คุณลิม่งอกขึ้นเลย ก็หมายความว่าตลอดเวลาผู้ที่บรรลุเข้าถึงสภาวะตื่นรู้เบิกบานแล้วก็จะเหลือแค่สองอย่างโยมก็เหมือนกันวันหนึ่งโยมก็เหลือแค่สองอย่างคือรูป ก, กับนามกายกับใจสมมติทั้งหลายทั้งปวงมันก็ถูกปัญญาญาณตัดออกหมดแต่ตัดทิ้งเหลือไว้ไหนพระเกศาของพระเจ้าหลังตัดแล้วหายไปเลยหรือเปล่าตามประวัติคุณสงา่าเคยศึกษา พ, พุทธประวัติไหม ว่าขณะที่พระ อ, องค์ตัดพระมูลีแล้วพระเกศาของท่านหายไปไหนหลายคนที่เป็นชาวพุทธแท้เนี่ยต้องเคยได้ยฟังเรื่องนี้แล้วมีใครนะพระ อ, อินเอาเอาพระองค์มารองรับแล้วเอาพระเกศาในประสิทธิ์ไว้ที่ไหนในสวรรค์ชั้นที่เท่าไหร่ในจุรามณีสวรรค์ชั้นดาวดึงชื่อไหมทาไมเกิด ตอด ต, ต่อตรงนั้นไปเอาไปเรื่องเสริมบารมีของผู้ดีญาไม่ใช่มันต้องมีเหตุผลเนนะ่ะก็หมายความสมมติทั้งหลายทั้งปวงที่ตัดทิ้งแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เอาไปทิง้งมันจะต้องเก็บเอาไว้ใช้เมื่อมีความจําเป็นโยมอยู่คนเดียวโยมใช้รูป ก, กับนาเพราะนั้นใช่ไหมแต่โยมจะไปติดต่อใครเนี่ยโยมใช้สมมุติล่ะวันนี้ผมจะไปหาคุณนะคุณว่างไหมมันมีผมมีคุณขึ้นมาแล้วเราต้องใช้ เราจะบอกว่านี้รูปจะไปหารูปนามนี้จะไปหารูปนามนั้นนะรูปนามนั้นอยู่ไหมโอ้ไอนี้ชักเพียนแล้วไปปฏิบัติมาไม่กี่งานไปใหญ่แล้วนี่นะฮะมันไม่ได้เรื่องปรมาจิตเปเรื่องใช้ส่วนตัวแต่เรื่องสมมุติเราต้องเก็บไว้ใช้ไม่ใช่ตัดทิ้งเลยพระยินททําไมต้องพยินเก็บคนอื่นทำไมไม่เก็บล่ะหมายความว่าจิตของเราเนี่ยยังรับรู้สมมุติได้อยู่เมื่อตอนไหนจะใช้ตรงไหน เมื่อไหรจะใช้เรื่องอะไรจิตก็ยังใช้สมมุติได้อยู่พระยินหมายถึงจิตทำไมจะเก็บไปไว้ที่เกตแก้วร์ชุลามณีเพราะฉะนั้นคำสอนของโบราณนี่เขาเขาลึกซึ้งละเอียดมากนะเขาฝังเอาไว้ในปิศนาเอามาว่าคุณสง่าเป็นนักเขียนเนี่ยต้องไปค้นหาเรื่องนี้ให้ได้ทําไมต้องไปเก็บไปที่เจดีเกตเกียร์ชุลามณีเมื่อวันสิบห้าเข้าพยินทั้งพาเทวดาทั้งหลาย ไปกราบไปบูชาใช่ไหมตามประวัติเขาว่าไว้เนี่ยมันต้องมีเหตุนนะไม่ใช่คิดว่าโบราณไม่ได้เขียนนักปราชญโบราณกคงไม่ได้เขียนอะไรทิ้งไว้ลอยๆหรอกแต่มันเป็นหน้าที่ของพวกเราคนปัจจุบันจะต้องไปแกะปริศนาไปแก้รหัสนี้ให้ได้เพื่อจะเอาปัญญาออกมาใช้นะนั้นหมายามสมมติทั้งหลายทั้งปวงที่วิปัสสนาญาณตัดออกได้แล้วก็มันยังค้างอยู่ในจิตจิตต้องนําไปใช้ในถูกกาลาเทศะ เมื่อคุณไปใช้สมมุติไม่ถูกเป็นเรื่องเลยใช่ไหมใช้สมมุติถูกก็อำนวยความสะดวกเกตแก้วเพราะว่าเกตแก้วจุลามณีก็คือสมองการที่จะใช้จิตต้จะใช้สติปัญญาใช้สมองในการที่จะใช้สมมุติได้ถูกถือว่าจิตเป็นสิ่งสูงสุดเกตแก้วจุลามณีน ะ, ะต้องเพออิน mm. อ า, าเทวราคารบูชาหมายเขาว่าเราจะต้องเห็นความสําคัญของความคิดที่จะใช้เนี่ยไม่ใช่อยากจะใช้ตอนไหนต้องใช้สติปัญญาใช้สมมติณฑีทีหนึ่งเหมือนเกตแก้วจุลามณีสติปัญญาที่เป็นประมาจาระพี่เป็นปรมาจารเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกฝนเนี่ยเนื่องจากสมมุติมันหนาเหลือเกินเราถึงมาฝึกประมาจารย์ยังไง เพราะเราปรมัสต์เรามีอยู่แต่ว่ามันอยู่เราไม่รู้จักดันันนเราจึงเริ่มต้นด้วยความรู้สึกตัวเพราะมันเป็นปรมาสต์เพราะมันเป็นนามธรรมความรู้สึกนะถ้าหากเราปฏิบัติแล้วถ้าไม่เน้น ต, ตัวรู้เนี่ยเราแยกตัวปรมัสต์ออกมาจากสมมุติไม่ได้เวลาเราเอาน้ำกฐทิมา เราจะเก็บไว้ได้นานไหมน้ำกะทิที่คั้นจากมะพร้าวแล้วเก็บไว้ได้นานไหมสักกี่วันดีอะจะทำอย่างไรที่จะเก็บน้ําคุณภาพของกะทิไว้ได้นานบอกว่าบรรจุกระป๋องเงินไนดะ้ไหม <laughs> เป็นสุญญากาศเก็บไว้กะทิทันเมื่อไหร่ก็ได้อ น, นั้นมันมันเนื้อไขพิเศษและแต่ปกติชาวบ้านเราธรรมดาเนี่ยจะเก็บน้ํามันกะทิไว้ใช้นานๆนานเนี่ยจะทํำยังไง ต้องามาเคี่ยวเป็นน้ำมันใช่ไหมถ้าเคี่ยวเป็นน้ำมันอะมันไม่เสียละทีนี้กะทิกับน้ำมันเ น, นี่ยอันไหนไปจุดไฟติดกะทิจุดไฟไม่ติดใช่ไหมแต่น้ำมันจุดไฟติดนี่อันเดียวกันแต่ว่าคนละลักษณะเลยในตัวรูปในตัวรูปนั้นที่มีน้ำอยู่มันมีน้ำมันอยู่เราจะต้องแยกตัวน้ำมันออกมาคือแยกน้ำออกมาจากรูปให้ได้ก่อน รูปเนะี่ยมันต้องเสื่อมไปตามหลักของอะไรใจรักใช่ไหมแต่น้ำเนี่ยมันไม่ได้เสื่อมไปตามกฎของใจรักน้ํา ม, มันเปน็นอมาตะเราต้องแยกธาตุที่ธารู้ออกมาเหมือนเราแยกน้ํามันออกมาจากกะทิแต่วิธีกรรมในการแยกน้ํามันออกมาจากกะทิเราจะแยกแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ใช้ความร้อนแล้วนะใช้อะไรเราใช้บีบเย็นมางั้น อมาก็รู้สึกเทคนิคอะไรทุกวันเนี่ยมันซับซ้อนจนกว่ า, ามันผิดธรรมชาติไปเลยอ่ะแต่เอาธรรมชาติเดิมก็แล้วกัน <c oughs> คือต้องใช้วิธีการเขี่ยวใช่ไหมการเขี่ยวกะทิก็จะหายไปตามอำนาจขอ ง, ขอ ง, ของความร้อนเพราะกะทิเป็นปน้ำไอ ต, ตัวน้ำมันอยู่ในกะทิตัวกะทิแท้ๆก็จะกลั่นเป็นตัวเป็นน้ำมันฉันใดก็ดีการมาที่นี่เรามาเขี่ยว เขี้วเอาตัวรูปออกจากหนามไม่ได้คือเห็นร่างกายนี้เป็นเพียงความรู้สึกแต่ความรู้สึกพื้นฐานของร่างกายมีสองชนิดที่เราสวดไปเมื่อเช้าอ่ะสวดเรื่องเวทนาใช่ไหมความรู้สึกเสวยอารมณ์หรือเข้าไปรับรู้อารมณ์ว่าอันนี้ฉันเจ็บนะอันนี้ฉันปวดนะอั น, นี้ฉันหนักอันนี้ฉันเบาความรู้สึกชนิดเรียกว่าเวทนามันปนกันอยู่ระหว่างรูปกับนามรูปนึงเหมือนตัวลูกมะพร้า น้ำกะทิขั้นออกมาเนี่ยเหมือนกับตัวเวทนาผสมกับทั้งน้ําและทั้งกะทิอยู่ในนั้นทีนี้เราจะเอาเวทนามาเขี่ยวให้เป็นสติที่มาเนี่ยให้มันแยกเอาน้ำบอกไปให้มันเหลือสติมันเป็นอะไรสติเป็นน้ํำล้วนๆใช่ไหมแต่เวทนามันเป็นทั้งรูปทั้งน้ําอยู่ในนั้นเหมือนน้ากะทิปนกันอยู่ทีนี้วิธีเขี่ยวทยําังไงเราก็มานั่งยกมือเนี่ยขนาเขี้ยวเปยังไงบ้างร้อนใช่ไหมร้อนด้วยอะไร ได้ความง่วงความเงาความเบื่อความขี้เกียดความไม่พอใจความคิดความปรุงแต่งความปวดความเมื่อยสารพัดอะไรที่มันเกิดอันนั้นถือว่านั่นคือความร้อนเรียกว่าตบะอาตาปีตบะแปลว่าความร้อนเผากิเลสใช่ไหมและถ้าหากความเร้าร้อนอย่างนี้เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยถ้าใจไปร่วมด้วยมันเกิดกิเลสแต่ถ้าใจไม่ร่วมด้วยมันเป็นเพียงรูปกระน้าความปวดก็เป็นรูปกระน้าความง่วงก็เป็นเพียงรูปน้า ความเบื่อก็เป็นเพียงรูปนามแต่แต่และเข้าไปร่วมความพอใจเมื่อพอใจมันเริ่มเป็นอะไรเป็นนามรูปแล้วเริ่มจะเป็นเป็นเหตุให้กิเลสมันจับแล้วนี่เพราะฉะนั้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิปัสสนาญาณเนี่ยให้ชัดไปเป็นเรื่องๆเลยนะพราคุณปฏิบัติเพื่อเดี๋ยวมันรู้เองเนี่ยอย่าไปไว้ใจเพราะพุทธศาสนาเริ่มต้นที่ปัญญาในมรรคแปด มักแปลร่วงตัวนอะไรบ้างหนึ่งสมาธิธสองอันนี้ชาวพูดนะมักแปะจริงจะไม่ได้เ <laughs> สียชื่อน่าดูเลยเนะี่ยเอาให้เนี่หนึ่งสมาอะไรสมาธิธสองสมาสังกปะสามสมาวาจาสี่สมากมันตาห้าสมาชีวะ สมาวามะเจ็ดสมาสติแปดสมาสมาธิถ้าเรียนจบแล้วมันจะเพิ่มมรรคเข้ามาอีกสองมรรคเกสมาญานสิบสมาวิมุตติถ้าปฏิบัติมรรคแปดอย่างถูกต้องแล้วมันจะเกิดอีกสองมรรคคือสมายานกับสมมาวิมุตตินะแต่ไม่ต้องไปจําศัพท์แต่ให้ให้รู้ว่าสมาธิกับสมาสังคปะเป็นองค์ของปัญญา สัมมากรรมมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะเป็นองค์ของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นองค์ของสมาธิเพราะฉะนั้นในภาคปฏิบัติจริงเนี่ยถ้าไม่ได้เริ่มต้นด้วยศีลด้วยสมาธินะถ้าเริ่มต้นด้วยปัญญาแต่พอไปเรียงตามหลักของปริยัติแล้วเรื่องอะไรขึ้นก่อนศีล ส, สมาธิปัญญาเอาปัญญาไปไว้ท้ายเลยแต่พอในภาคปฏิบัติแล้วต้องเอาปัญญาศีลสมาธิ ตามองมรคเลยเพราะฉะนั้นมรคยิงย่อเหลือสามแค่นั้นเองคือปัญญาศีนสมาธิทีนี้พอเราเริ่มต้นด้วยปัญญาคือมาเริ่มต้นความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี้เราเห็นว่าเห็นถูกต้องคือเห็นว่าความรู้สึกที่เรามีอยู่ขณะ น, นี้ความรู้สึกล้นลนกับความรู้สึกที่เป็นทุกขเวทนาปนกันอยู่ใช่ไหม อย่างตลอดเวลาเราถามว่ายมสบายกายบ้างไหมเนี่ยมันสบายที่สุดไม่รู้สึกอะไรต่อทุกเลยมีบ้างไหมยากมากตลอดเวลามันมีแต่ความไม่สบายทางนั้นรนะ้อนจัดหนาวจัดเย็นจัดหนักบ้างเบาบ้า ง, างขัดตรงนั้นยอกตรงนี้แล้วถึงดิ้นตลอดเวลาไงตาพับขึ้นไม่พับลงก็ไมได้หายใจเข้าไม่หายใจออกก็ไม่ได้ใช่ไหยนั่งเราไม่พลิกก็ไม่ได้มันทุกตลอดเวลาแต่เราไม่เห็น่ไงเพราะมันถูกความเคยชินข้อ ง, งํา แล้วก็ดิ้นอยู่เนี้ยตลอดตั้งแต่เราเกิดจนวันนี้ยังไม่หายดิ้นเลยใช่ไหมดิ้นไปเรื่อย เ, เพื่ออะไรเพื่อบำบัดทุกขเวทนาแต่เนื่องจากว่าความเคยชินมันมากเกินไปเมื่อเลยครอบงําทุกขเวทนาเนี่ยได้เขาเรียกว่าสันตติสันตติมันต่อเนื่องเกินไปแล้วก็คิดว่ามันเป็นเป็ น, ปนมันเป็นเราที น, นี้ เราเห็นความรู้สึกที่เป็นรูปเป็นนามถูกครอบด้วยอะไรครอบด้วยตัวนี้คือครอบด้วยความเคยชินหรืออวิชชาแต่เมื่อพระพุทธเจา้าแตะสรู้ขึ้นโอ้สิ่งเหล่านี้มันความเคยชินเราไปสําคัญผิดมันมก ว, ว่าเป็นเราเป็นเขาไม่ใช่นี่มันเพียงเป็นความรู้สึกของรูปกับความรู้สึกของนามความรู้สึกของกายและความรู้สึกของใจเท่านั้นความรู้สึกของรูปเรียกว่า รูปความรู้สึกของใจเรียกว่านามก็มีสองอย่างรูปนามนี่พอมาแนี้อ๋อใช่เรามาสารวจจริงจริงรู้เข้าไปตรงๆมันเหลืออะไรเหลือต่ความรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกของรูปจะออกมาในรูปของเวทนาคือสบายไม่สบายสลับกันตลอดเวลานั่งตรงนี้มันสบายพิกไวเหน่อก็สบายพอนั่งไปสักวันไง ก็ไม่สบายพีปีนก็สบายสลับก็อยู่ตลอดเวลาความรู้สึกที่เป็นรูปเนี่ยสบายไม่สบายสบายไม่สบายสบายแต่เราไม่ใส่ใจต่อการพลิกการเปลี่ยนและความสบายไม่สบายเกิดขึ้นตลอดเวลาเราก็ไม่ใส่ใจไอ้ตัวไม่ใส่ใจนี่เองมันถึงได้เกิดเวทนาทุติษสามเขาเรียกอุปกขาเวทนาแต่ถ้าเป็นทางรูปเขาเรียกอทุกขมสุขเวทนาถ้าเป็นทางใจเขาเรียกอุเปกขาเวทนา ถ้ามันเกิดทางรูปเรียกว่าอตุคโมสุขคือไม่ใส่ใจความสบายไม่สบายมันดึงมาสร้างพออะไรเกิดขึ้นในจิตความชอบไม่ชอบเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่เองมันไม่ได้ดูตัวรู้ตัวนั้นเข้าไปไม่รู้ไอตัวไม่รู้ก็าเรื่ออุเปกขาหลวงพ่อจะคุดประยุทธ์ทางแปลดีว่าอุเปกขาเวทนาแปลว่าเฉยเมยแต่อุเปกขาสัมพุชงเรียกว่าเป็นเฉยมองเออ คำจังหวดความที่สั้นแต่ว่าชัดมากเฉยเมยกับเฉยมองแต่เรามาปฏิบัตินี่เราจะเฉยเมยหรือเฉยมองดูเฉยเฉยแต่มองดูอยู่ว่าอะไรกําลังเปลี่ยนแปลงรู้เฉยเฉยกำลังดูอยู่เหมือนกันว่าแกจะเปลี่ยนแปลงไปไอ้การที่เข้าไปจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงให้กลับมาสู่ปกตินี่เรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าภาวนาเรียกว่ากรรมฐานถ้าเรารู้เฉยเฉยแล้วไม่จัดการเนี่ยก็เรียกเป็นสมถาน น่ะคือพยายามสะกดมันไว้ข่มมันไว้เจ็บก็ให้รู้ว่าเจ็บไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันในที่สุดพระกรรมาฐานก็เป็นอาวุธเคองมตะพาดเป็นโรคหัวใจเบาหวานเป็นตามๆกันพอไปสะกดอาการที่ทุกทุกมันสะสมมาเข้ามาเข้ามก็ตกค้างเรียกว่าวิบากวิบา ก, กรรมเฮยทาไมท่านปฏิบัติธรรมมาตังนานแล้วพอมาถึงบ้านปลายชีวิตทำไมเป็นป่วยเป็นโรคอันนี้ก็ท่านทําวิบากรรมแต่ต้นเพราะความไม่รู้ใช่ไหมแต่มายุคเราเนี่มันพัฒนา การเรียนรู้ข้อมูลอะไรต่างๆมันพัฒนาเราก็จะต้องทําพัฒนาให้ดีกว่ากว่าท่านวิบากทางกายเราควจะน้อยลงเพราะเรารู้วิธีแก้ไขก็บรบัตมาได้ในต้นรู้จากธรรมชาติธาสีเนี่ยนะอันนี้เรียกว่างายของที่คว่ำเอาที่นี้มาดูเปิดของที่ปิดบ้างอ๋อเวลาพออย่างเปิดของที่ปิดเอ๊ะอันนี้มันคว่ำเปิดของที่ปิดมันคืออย่างนี้อ่าอันนี้มันปิดอยู่ใช่ไหม ที่มันไม่ได้ควบแล้วร่างกายของเราที่มันเกิดสบายไม่สบายเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นน้นเป็นนี่เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรความสบายไม่สบายมันคืออะไรต้นตรอขมันคืออะไรขอให้คิดสักสองนาทีเดี๋ยวมาจะมาถามใหม่ถ้าตอบเรื่องนี้ไม่ได้นี่งานนี้สอบตกแนวกันเ่ะมาลงไปเมื่อกี้มันมีเหตุ เขาถวายกระเบื้องอยู่ที่กรุงเทพสองร้อยกวตารางเมตรเขาลากไปส่งที่วัดแล้วเขาไม่รู้จักทาง <c oughs> ทางจะขึ้นที่วัดขึ้นดอยรถวิ่นไหวไม่ไวหวอามบาุตรีมาเช้าขึ้นมาจะดื่มน้ําประมาณขวดใหญ่นะเพราะฉะนั้นจะปัสสาวะตลอดน้ําขวดใหญ่ผสมให้ปัสสาวะขนานี้นะทานทุกวันจะไม่เป็นโรค ก, ก็ราแค่จิบอะไรแต่ต้องเป็นปัสสาวะของเราเองนะไม่ใช่ปัสสาวคนอื่น เพรมันจะเป็นวัคซีนของเราเองถ้าใครกล้ากินก็กล้าหายโรคไม่ต้องไปกินยาห้าหมออะไรตลอดคนเป็นนาโนชนิดใหม่หายแล้วขยับหน่อยได้หรอยังได้คำตอบหรือยังฮะอ้าวลืมไปแล้วไม่นอกจากไม่ได้คำตอบลืมคําถามอีกต่างหากเสร็จเลยโอ้โหง้นเนี้ พอให้ถามใหม่นอกจากไม่ได้คําตอบลืมคําถามอีกต่างหางตายเลยชาวพุทธเรานั่งปฏิบัติเราจะเอาไงกันดีเนี่ยสแสดงว่าพูดมาทั้งหมดไม่เจ็ดกันเลยนะี่นะอันนี้คือความยากของมันเพราะอะไรก็ไม่รู้นะอาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะสมมติมันเยอะเกินไปหรือเป่ามันหนาเกินไปนะโยมสางาได้เลยยังคําตอบอามาจะไม่ทนคําถามเราเดี๋ยวจะเป็นการดูถูกกัน นั่นว่าแลยก็นึกว่าหมอเป็ดคนเดียวโยมสง่าเอาไปด้วยเอย๊ใครจะจำรับคำถามของพ่อได้บ้างโยมหลวพ่อถามว่าไงจําไม่ได้เหมือนกันเอ๊คําถามหลงพ่อมันซับซ้อนเท่าไหร่นะถามว่าไอการที่ร่างกายสังขารเราสําคัญผิดว่าเป็นเราเนี่ยมันมีสิ่งที่ปิดไว้ใช่ไหมอะไรปิดมันไว้เนี่ย ความรู้สึกของเราที่มันสำคัญว่าความรู้สึกสบายไม่สบายว่าเป็นสุขของเราเป็นทุกข์ของเราอะ่ะแต่ความจริงมันไม่ใช่สุขใช่ทุกข์ของเราแต่สุขทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์มันไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นของใครนี่คือคาถามยากไหมมันเป็นของไตรลักษณ์หรืออะไรอย่าง เป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่ของเราแต่เราไม่เห็นกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยไปสำคัญสุขผู้ว่าเป็นเรานี่ตัวนี้มันปิดเอาไว้ปิดเอาไว้เรียกว่าอะอะไรวิชานะมันปิดเอาไว้ซึ่งมันไม่ยากแต่มันตัวนี้มันปิดสนิทเลยเมื่อเรามาเจริญสติมาเจริญตัวอะไรตัววิชาใช่ไหม ก็คือหมายถึงยกเอาตัวนี้ออกยกอวิชาออกตอนนี้เราเห็นสุขเห็นทุกข์ถ้าเห็นสุขเห็นทุกข์เปเราไหมเพราะว่าอันนี้ก็ยังครอบอยู่ยังออกไม่ได้นะแต่เมื่อไหร่เห็นสุขเห็นทุกข์นี่เป็นอะนี่จังทุกข์เป็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติธาตุสี่เรานั่งเนี่ยมานานรู้สึกไม่สบายใช่ไหมเพราะอะไรรู้สึกไม่สบายตระหนักถึงเหตุเพราะถ้ายืนขึ้น มันสบายเพราะอะไรมันจึงสบายอันนี้คือผู้ปฏิบัติจะต้องตระหนักรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นขณะ น, น, นั้นนะ่ะถ้าไปรู้มันเกิดไปแล้วก็ไม่ใช่มันยังไม่เกิดไปรู้ก็ไม่ใช่จึงเรียกว่าวิปัสนาเห็นสิ่งที่กำเนิดขึ้นเฉพาะหน้าขณะนี้มายืน ร, รู้สึกสบายก็บพิิตรู้สึกหนักเพราะอะไรจึงหนักเพราะอะไรจึงเบาเพราะการไหลเวียนของธรรมชาติธาตุสี่ไหลเวียนตลอดเวลาใช่ไหมเมื่อเรานั่งลงไปเนี่ยเราทับการไหลเวียนของเขา ตรงท่อเลือดท่อลมที่มันไหลเวียนเราน้ําหนักของเรากี่กิโลเราก็ทับมันลงไปทับไปแล้วเกิดการตีบตันเมื่อเกินเกิดการตีบตันการไหลเวียนของเลือดลมสะดวกไหมไม่สะดวกเมื่อไม่สะดวกเขาก็จะทําหน้าที่ของเขาคือจะต้องการผ่านเห ม, มือนจราจรติดอะต้องการผ่านแต่เมื่อผ่านไม่ได้ก็เกิดเกิดการอาการหนักเหมือนรถติดขัดมันผ่านไม่ได้ แต่พอตารวมาเอาไปได้เหมือนระ ล, ลุกขึ้นรถวิ่งชิวไปเลยความสบายใจคนขับก็สบายใจไอต้ตอนที่รถติดหรือคนขับตัวไงอึดอัดมากอยู่อาการอันเดียวกันอ น, นิจจังทุกขังนาตาทำงานตลอดตามกฎิรถมันวิ่งผ่านตลอดใช่ไหมแต่พอรถติดหมายความว่าเราอยู่ในอิิบท อ, ร, บทอริบทหนึ่งติดไฟแดงนานเกินไปติดจราจรนานเกินไปเพราะฉะนั้นไฟแดงมันก็เหมือนเราจะต้องเปลี่ยนอิบทตลอดเวลาเวลาไฟแดงบอกเราเราก็เปลี่ยน เวลาไฟเขียวนั่งต่อไปได้เวลาไฟแดงเราก็เปลี่ยนไฟเขียวไฟแดงตลอดเวลาเรากำลังจะเปลี่ยนไฟเหลืองแต่เราไม่ได้เรียนรู้กฎกติกาที่เราชาชินอยู่ทุก ว, วันเพราะอะไรอะไรครอบเราจำได้ยกอนี้ออกแต่พออกจากนี้ไปเรื่องใหม่อันนี้เป็นไงกับเขมมิด <c oughs> จนกว่าเราจะจะเปิดตาได้อย่างถาวร พระดิจ้าท่านแสดงธรรมถ้ากใครเข้าใจเรื่องนี้ได้แล้วไม่ลืมนะท่านเรล่าบุคคลนั้นได้อะไรดวงตาเห็นธรรมได้ธรรมะจากสูแล้วแต่มาไม่แน่ใจว่าวันนี้โยมจะได้ธรรมะจากสูหรือเปล่ากลับไปอย่างนี้ก็อย่าว่าแต่คำตอบแล้ว้นถามยังลืม อ, อา้าวเจ้าฮั่ง แล้วสิ่งที่กำลังเกิดกันดับอยู่นี้ถ้าเขาว่าดวงตาในไม่เปิดเนี่ยมันต้องลืมร้อยเปอรเซ็ะนะใครมาว่ากูอีกเหมือนเดิมมันแหละนะไม่ใช่ว่าใครว่ารูปว่านามของเราอีกนะอใครว่าตบหลังเพ้อามาตบหลังกูทําไมอะไรทําไมไปนู่นเลยนะมาจบหลังพ้ออความรู้สึกเป็นลูปเป็นนามไม่ได้คิดถึงคนตบคิดถึงความรู้สึกที่เกิดการ น, นี้ว่าหนักหรือเบาฮะน้าเองสุขหรือทุกข์ดังนั้นมันทับ ไปหลายซับหลายซอนวิชาเนี่เหมือนกับเมฆหมอกที่ได้กล่าวมาเมื่อวานพ่าตามปฏิวันนี้พาทิตย์ขึ้นแล้แต่ทําไมอากาศยังสลัวอยู่ล่ะเพราะเมฆมันไหลายชั้นน่ะใช่ไหมเมฆมันหลายชั้ น, น, นแสงสว่างเจ่มแจ้ามากเลยตอนนี้ยแต่ว่ามันถูกบังตัว ม, มันก็สลัวแต่ถ้าบังหนาขึ้นหนะขึ้นโลกทั้งใบเลยมืดเลยทีนี้ใช่ไหมกลาคืนมืดเพราะโลกทั้งใบมันบังเอาไว้เนี่ยอันนี้คือ เปิดของที่ปิดถ้าเรามารู้ว่า น, นี่นะเพราะอาวิชามันปิดทุกขังอันนี้จังทุกขังอนัตตาเราไม่เห็นแต่พอเรารู้สึกตัวป่าพอความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสบายๆมันไม่ใช่เรานี่มันแปลงมาจากความรู้สึกทุกขเวทนาก่อให้เกิดความไม่ชอบใช่ไหมตัวสุขเวทนาความสบายทางกายก่อให้เกิดความชอบใจ ตัวทุกขเวทนาก่ให้เกิดความไม่ชอบใจแล้วทั้งสุขและทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่สนใจเพราะมันเป็นอทุกคมสุขเวทนาคือไม่ใส่ใจและตัวสุขเวทนาเราไม่ใส่ใจอีกสุขเวทนาเราก็ไปเพลินในสุขเป็นนันทิที่กล่าวมาเมื่อวานและนันทิเราก็ยังไปเพลินนันทิกลายเป็นราคะราคะก็ยังไปเพลินอีกเป็นกามฉันทะเป็นนิวรณ์เลยทีเนี้ย มันจะพัฒนาตัวไปเรื่อยๆ เ, เ, เพราะตัวไม่รู้แต่วันนี้เรามาศึกษาตัวรู้ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวอ่อนๆอยูออ่า็ตามแต่พัฒนามันให้ไวขึ้นจะมานั่งเก็บตัวรู้เฉพาะในปฏิบัตินี่มันไม่พอที่กล่าวไปเมื่อวันให้ไปเก็บในทุกีเดียนบทในทุกเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ มีความจงใจที่จะรู้ในอาการนั้นนั้นว่าพิบตาหาปากหายใจเร็วใส่แล้วขวากม้มเงยหยิบจับจั บ, บยต่างๆให้รู้เข้าไปชัดๆแต่ละขณะ น, นะแล้วอันที่สามอันนี้คืองายของที่ห่วมเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลวงทางนี่หน้าที่ของผู้ที่จะรู้ทำแล้วเนี่ยบอกทางแก่คนหลวงทาง เมื่อก่อนเราเดินทางไหนแล้วเดี๋ยวนี้เราเดินทางไหนเมื่อก่อนเราเดินทางมิจฉาทิฐิแต่เดี๋ยวนี้เรามาเดินทางสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฐิเราเห็นว่าท <Lay out> ุกข์เป็นเราเราเป็นทุกข์เราไม่รู้ว่าทุกข์มันมาจากไหนไม่รู้สมุทัยทุกข์กายมาจากไหนก็ไม่รู้ทุกข์จิตมาจากไหนก็ไม่รู้เป็นมิจฉาทิฐิ แล้วว่าวิธีที่จะเอาทุกข์จะออกจากกายจากใจได้ก็ไม่รู้อีกพราะมิฉาทิฏฐิและวิธีการที่จะทำอย่างไรในรายละเอียดก็ไม่รู้แต่พอเกิดวันนี้เกิดสมาธิธขึ้นมาเป็นทางใหม่เราหลงทางมิฉาทิธฐิมานานหลงทางว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปมานานใช่ไหมแต่ในนี้เห็นว่ารูปเป็นอะไรอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เรา เดินทางใหม่แล้วแต่ถ้าลืมสติอีกก็หลงไปสู่ทางเก่าเหมือนเดิม น, นี่คือเปลี่ยนจากอริยเปลี่ยนจากกิเลสมัรมาเดินในอริยมักเปลี่ยนจากมิจฉามากักมาสู่สมัมมามักนี่เปลี่ยนทางบอกพระพุทธเจ้าท่านบอกเราหลงมาตั้านานบอกทางแก่คนรู้ทาง อันสุดท้ายเลยว่าชูแสงสว่างในที่มืดอ่าตัวรู้ของเราเนี่ยมันจะบอกเราทางถูกทางผิดตัวรู้ของเราเนี่ยจะบอกมันจะเป็นแสงสว่างในที่มืดเวลาความคิดเกิดขึ้นอนะบางครั้งพอเรารู้ทันปับ๊บความคิดหายไปไหมแต่บางคิดไม่หายใช่ไหมบางความคิดหาย แต่เมื่อก่อนความคิดเกิดขึ้นมาเราเคยเข้าไปดูไปดูไปกําหนดรู้มันบ้างไหมส ม, um สมัยที่เราไม่ยุ่งกับเรื่องวิปัสนาหรือเรื่องของสมถาวิปัสนาเลยสมัยที่เราไม่รู้เรื่องนื้อเนี่ยเราเข้าไปดูความคิดเป็นไหมไม่เป็นคิดแล้วก็คิดไปเลยบางความคิดก็หายไปเองบางควาคิดคิดไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ณนะวันนี้เราเริ่มมาศึกษาเรื่องวิปัสนาเราเริ่มตามรู้ตามเห็นความคิดใช่ไหมเรามีตัวรู้ขึ้นมาแล้ว เ, เอาตัวรู้เข้าไปดูความคิดเป็น ความคิดบางอย่างรู้แล aluminum, hm ้วก you know, ็หายไปก็มีใช่ไหมความคิดบางอย่างที่มันหนาแน่นมากๆรู้แล้วมันยังไม่หายไปก็มีเพราะอะไรเพราะตัวรู้เขายังไม่เข้มแต่ตัวคิดมันนี่เข้มกว่ามันก็เลยไม่หายแต่เมื่อไรตัวรู้เราเข้มๆกับพอกระโดคิดมันหายเป็นศูนย์เลยตัวรู้นี่เองเรียกว่าแสงสว่างตัวคิดมันมาด้วยความไม่รู้เรียกความมืดตัวรู้เกิดขึ้นมันก็เหมือนแสงสว่างในที่มืดปกดปั๊บตัวคิด มันมาด้วยความมืดของอวิชชามันหายไปบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะหลวงพ่อในชีพจรวังของผมผมต้องบางแผนคิดเรื่องนั้นเรื่องรีการทำมาหากินจะมานั่งซื้อเบือไม่คิดได้ยังไงแล้วจะตอบเขาว่าไงหมอเป็ดถ้าเจอคำถามแบบนี้ก็ตอบว่าไงยุ่งกันนั้นนี้นะ <c oughs> ถ้าหาว่าคนที่เขาหัวหมอหน่อยใช่ไหม ถ้าคุณจะบอกว่าไม่คิดไม่คิดนี่คุณอยู่ได้ไงไม่คิดนี่คุณก็บ้าเท่านั้นเองนะเจอคำถามนี้เรางงเลยใช่มมันต้องคิดแต่วิปัสสนาไม่ได้บอกว่าไม่ให้คิดแต่คิดอย่างมีสติคิดอย่างมีสมาธิแต่คิดอย่างมีปัญญาตัวคิดมันเป็นกลางเมื่อมีสติสมาธิขปัญาไปเกี่ยวข้องตัวคิดมันก็กลายเป็นยานแต่ถ้ามีอะ วิชาหรือกราคาโทรศัพ์ไปเกี่ยวข้องตัวคิดก็กลายเป็นตัณหาก่ามาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภาวะตัณหาใช่ไหมกลายเป็นตัณหาแต่ถ้าตัวคิดที่เกี่ยวข้องโดยสติสมาธิกลายเป็นปัญญาแต่เกี่ยวข้องโดยปัญญาเนยกลายเป็นญาณไปเลยตัวคิดมันจึงเป็นกลางเพราะฉะนั้นที่ว่าเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปจัดการหมายถึงตัวคิดนั้นประกอบด้วยความไม่รู้ คือไปกอบไม่ได้ประกอบด้วยสติประกอบด้วยความรู้ความคิดนี้นี่ออกมาไปในฝักฝ่ายของตันหาอุปาทานแต่ถ้าเราเดี๋ยวนี้เราจเจริญตัวรู้เอาตัวรู้เข้าไปดูตัวคิดหมายถึงตัวคิดที่มันไม่จําเป็นมันหายไปแต่ตัวคิดที่จําเป็นจําเป็นต้องใช้ต้องคิดขึ้นมาเออวันนี้จะทำอะไรนั้นนั้น น, น่อวางแผนไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะเก็บบอลลุ่มกันนะกำหนดเสร็จปับ๊บ ตัวคิดที่เกิดขึ้นด้วยสติสิมันเกิดขึ้นด้วยเจตนาแล้วก็ดับลงได้เมื่อมันจบนี่คือลักษณะว่าตัวคิดชนิดไหนที่เราเกิดขึ้นด้วยวิชาตัวคิดชนิดไหนที่เกิดขึ้นด้วยอวิชารู้ได้อย่างไรตัวคิดที่เกิดขึ้นด้วยวิชามันเกิดขึ้นด้วยเจตนาได้คิดตัวคิดจบเสร็จแล้วมันจบแต่ตัวคิดที่เกิดด้วยอวิชามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วมันจะจบเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกัน ไปเรื่องขมันเรื่อยๆนี่เกิดด้วยความไม่รู้สึกตัวคืออวิชชาโอ้หมดเวลาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากและเอามาไปไปที่ไหนไม่จะได้พูดเรื่องอื่นเอาเรื่องเนี้ยเพราะเรื่องอื่นพูดกันมามากแล้วว่าใครก็พูดได้นะแต่เรื่องนี้มันไม่มีใครพูดต้องการชี้เรื่องนี้ถ้ารู้เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นมันจะรู้ไปหมดของมันเองโดยไม่ต้องไปเรียนรู้อ้ ก็ได้พระพุทธเจ้าก่อนที่จะสรู้ท่านมีพระตจปีดกไหมไม่มีใช่ไหมแล้ท่านเอาอะไรมารู้ข ค, คือตัวนี้แหละดังนั้นอย่าไปท้อไม่ใช่เรื่องยากนะไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำด้วยศรัทธาศรัทธาในตัวรู้แต่ที่ถามว่าโยมผู้ปฏิบัติศรัทธาตัวรู้ร้อยเป์เซ็นหรือยัง อย่างรู้บ้างไม่รู้บ้างหลงบ้างลืมบ้างไปเรื่อยๆนะแต่รู้หล ง, ลงไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ประการสัมพันธ์ให้อัตราส่วนเท่าๆกันหลงเท่าไหร่รู้เท่านั้นนะฮะลืมเท่าไหร่ให้ลึกได้เท่านั้นมันก็จะเป็นศูนย์พอดีเลยหนะึ่งบวกหนะึ่งหนึ่งลบหนึ่งะเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าภาวะของการเกิดและการดับการเกิดเหมือน บวกการดับมันลบนะการรู้เหมือนบวกการหลงมันลบถ้ามันในอัตราส่วนที่เท่ากันใช่ไหมมันก็เป็นศูนย์ไม่มีแต่ส่วนใหญ่ที่มันเหลือเพราะมันมากกว่าอัตราส่วนมันเกินนะความรู้ความหลงมันเกินกว่าความรู้ที่เหลือมันก็เลยเป็นเศษของทุกข์ แต่ถ้ามันอันตราสนเท่ากันไม่มีทุกเหลือนะเดี๋ยวจะชี้ถึงพุทธพจน์บทนี้ว่าพูดเอาเองหรือเปล่าพุทยญาติัดเอาไว้นะเดี๋ยวจะบอกทีหลังนะ น, นั้นช่วงเช้า ว, วันนี้ขอให้ตั้งใจตามรู้ตามดูตามเห็นการเคลื่อไวาขางเด็ให้ชัดๆแล้วกลุ่ม การเก่ากลางใหม่จะได้เขาเก็บดะวงตแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ขออนุมโมทนาในความตั้งใจของท่านทั้งหลายที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแจ่มแจง้งและมีศรัทธาสูงขึ้นเรื่อยๆมีความเพียรสูงขึ้นเรื่อยๆมีสติสมัมปชัญญาสูงขึ้นเรื่อยๆจนสามารถดับทุกได้ด้วยการทุกคนทุกท่านถือ